การกั้นจิตบุคคลพึงรู้ว่ากายนี้เปรียบเหมือนหม้อดินกั้นจิตไว้เหมือนป้องกันนครรบมารด้วยอาวุธคือปัญญาเมื่อชนะแล้วก็รักษาความชนะไว้แต่ไม่ต้องติดอยู่อธิบายความกายนี้ท่านเปรียบเหมือนหม้อดินเพราะมีของโศกโครกซึมออกจากร่างกายอยู่เสมอเช่นเงือซึมออกจากผิวหนังและของปฏิกูลพึงรังเกียจออกจากทวารทั้งเก้าเช่นขีตาออกทางตาขีหูออกทางหู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 เพราะโรคผิวหนังมีประการต่างๆเสีอีดอนหนึ่งกายนี้ท่านเปรียบเหมือนหม้อดินเพราะแตกง่ายทำลายง่ายและเปื่อเปื่อนง่ายภายในร่างกายมีแต่ของปฏิกูลเต็มไปด้วยของไม่สะอาดมีประการต่างๆเช่นกระเพาะลำไส้รุงรงังไปด้วยอวัยวะน้อยใหญ่ถ้าเอาภายในร่างกายนี้ออกภายนอกแล้วเดินไปพวกสุนัขและกาคงไล่ตามกันเป็นฝูงเจ้าของกายไม่ต้องทําอะไรเพียงแต่คอยถือไม้ไล่กาและสุนัขเท่านั้น ท่าสอนให้การจิตจากอารมณ์อชั่วร้ายกั้นจักข้าศึกคือกิเลสให้เหมือนการป้องกันพระนครโดยการสร้างครูเมืองและกำแพงเมืองไว้โดยรอบและพึงรบมารอันเป็นข้าศึกด้วยอาวุธคือปัญญาเมื่อรบชนะแล้วก็รักษาความชนะไว้แต่ไม่พึงติดอยู่เปรียบเหมือนผู้ศึกษาเล่าเรียนเมื่อเรียนสิ่งใดได้แล้วก็รักษาไว้แต่ไม่ติดในความรู้นั้นไม่ทะนงตนไม่ยกตนข่มผู้อื่นเพราะความรู้นั้น อันหนึ่งว่าถึงการบรรลุธรรมอริยมรรคอริยผลอันใดได้บรรลุแล้วก็รักษาอริยมรรคอริยผลนั้นไว้แต่ไม่ติดไม่เพลิดเพลินแม้ในนิพพานพระพุทธเจ้าก็ทรงสอนไม่ให้เพลิดเพลินเพราะความเพลิดเพลินเป็นบ่อกเกิดแห่งทุกข์พระาศาสดาตรัสพระพุทธพจน์นี้ขณะที่ประทับอยู่ณเมืองสาวัตถีทรงปราภบิษุผู้เจริญวิปัสสนาพวกหนึ่งซึ่งมีเรื่องยอดดังนี้เรื่องภิกษุเจริญวิปัสสนาพุทธเจ้าห้าร้อรูปในกรุงสาวัตถี เรียนกรรมฐานในสำนักพระศาสดาแล้วเดินทางไปบำเพ็ญเพียรในป่าพวกเทวดาซึ่งสิงสถิตอยู่ตามต้นไม้ในป่านั้นคิดว่าเมื่อพิกษุอาศัยอยู่โคนต้นไม้การที่พวกตนจะขึ้นไปอยู่บนต้นไม้เป็นการไม่สมควรจึงพักอาศัยอยู่โคนไม้เหมือนกันคิดว่าพรุ่งนี้พระทั้งหลายคงจากไปแต่ในวันรุ่งขึ้นพระก็ยังอยู่จึงคิดว่าพรุ่งนี้พระคงไปหลายวันผ่านไปเทวดาเหล่านั้นขึ้นต้นไม้ไม่ได้อยู่ด้วยความลำบาก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 ภิกษุทั้งหลายประจักษ์ดังนั้นอยู่ไม่ได้จึงพากันกลับมาเฝ้าพระศาสดาพระพุทธองค์ทรงทราบเรื่องแล้วทรงประทานอาวุธอย่างหนึ่งคือกรณียเมตตาสูตรให้ภิกษุเหล่านั้นสาธยายข้อความในกรณียเมตตาสูตรนั้นเกี่ยวกับการแผ่เมตตาไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลายทั่วนาและว่าด้วยคุณธรรมของผู้จะบรรลุบทอันสงบคือพระนิพพานแล้วรับสั่งให้ภิกษุเหล่านั้นไปอยู่ที่เดิม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 กุมภูปะมังกายะมิมังวิดิตวาเป็นอาธิมีนัยยะดังอธิบายมาแล้วแต่ต้นเมื่อจบเทศนาภิกษุทั้งห้าร้อยรูปบรรลุอรหัตผลพร้อมด้วยปฏิสัมวิทาทั้งหลาย